สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสู่วัฒโนทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตณวัดบวรนิเวศวิหารทรงดํารงตําแหน่งเมื่อปีพุทธศักราช2532ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษาถึง100ปีและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่มีพระชันสามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงผนวชเป็นพระภิกษุนั้นสมเด็จพระสังฆราชทรงได้เป็นพระอภิบาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จประทับณวัดบวรนิเวศวิหารกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งท่านทรงตั้งพระไทยอย่างมากในการสอบปริญธรรม4ประโยค แต่ผลการสอบในครั้งนั้นทรงสอบไม่ผ่านทำให้ทรงรู้สึกท้อแท้และคิดว่าคงจะหมดวาสนาในทางพระพุทธศาสนาเสียแล้วแต่เมื่อทรงคิดทบทวนและไตรตรองดูว่าทำไมจึงสอบไม่ผ่านท่านทรงตระหนักได้ว่าเหตุแห่งการสอบไม่ผ่านนั้นเกิดจากความประมาทโดยแท้กล่าวคือทรงทำข้อสอบโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ ด้วยสำคัญผิดว่าตนรู้ดีแล้วทั้งยังมุ่งอ่านเฉพาะเนื้อหาที่คิดว่าจะออกเป็นข้อสอบเท่านั้นเมื่อทรงพบว่าเป็นวิธีการเรียนที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ทำให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านสอบไม่ผ่านนั่นเองเมื่อทรงตรหนักได้ดังนี้แล้วท่านจึงทรงเปลี่ยนมาใช้วิธีเรียนแบบสม่าเสมอและทั่วถึงจนสอบได้ทั้งนักธรรมชั้นเอกและประยิยนธรรม4ประโยคในที่สุด เมื่อปีพุทธศักราช2475สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงพระนิพนธ์ตำราไว้มากมายหลากหลายประเภทรวมถึงทรงรเริ่มและดำเนินการให้แปลตำราทางพุทธศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาและเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสาหรับชาวต่างชาติอีกทางหนึ่งด้วย ผลงานพระนิพนธ์ส่วนใหญ่ของพระองค์จะเน้นถึงความสำคัญของการฝึกฝนปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาดังสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเคยตัดไว้ความว่าผู้ใดไม่ได้ฝึกตนให้เป็นคนดีใครอื่นในเล่าจะสนใจมาให้ความช่วยเหลือไม่ยอมเป็นที่พึ่งคนดีมีปัญญานั้นจะให้ผู้ใดพึ่ง จากต้องพิจารณาความเหมาะความควรก่อนเสมอจะไม่ยอมตนให้เป็นที่พึ่งของใครอย่างไม่พิจารณา ใรับในพิธีกรพระอาจารย์บวชชลธีครับวันนี้ผมประสานิับนันรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับวันนี้จะขออนุญาตนั่งเสมอกับพระอาจารย์นะครับเพื่อความสะดวกในการถ่ายทํำครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่4นะครับหลังจากที่ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับก็ พูดง่ายๆว่าหลักสูตรในการที่จะให้สามเณรและแม่ชีน้อยได้เล่าเรียนนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนก็มีการเปลี่ยนมีการพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจาก3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแบ่งกันเป็นทั้งเรื่องของเรียนเล่นเป็นและสุดท้ายนี้ก็เข้าสู่เรื่องของการเปลี่ยนนะครับเรียนก็คือเรียนทางธรรมนำทางโลกเล่นก็คือเล่นเพลินเจริญปัญญาไม่ใช่เล่นอย่างเดียวนะครับเป็นก็คือเป็นให้ดีที่สุดณจุดนั้นนั่นก็คือการพูดถึงการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับสัปดาห์นนนีี้กก็็จะเเเปปรรื่่อองงขาลยตน เพื่อที่จะเปลี่ยนคนทั้งโลกด้วยไม่ใช่แค่เปลี่ยนตนเองนะครับแต่นําไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนคนทั้งโลกด้วยนะครับคงจะกราบนัสการถามพระอาจารย์ก่อนนะครับว่าคําว่าเปลี่ยนคําว่าเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนตนเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนจากอุปนิสัยเปลี่ยนจากข้างในเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนเนี่ยอันอื่นเลยอันแรกเลยเปลี่ยนใจก่อนครับคนเรานั้นถ้าใจเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดอย่างอื่นเป็นแค่องค์ประกอบครับกายเนี่ยมันเป็นเหมือน เครื่องมือของใจ <c oughs> ถ้าใจคนเปลี่ยนแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนครับลุกเด่นลูกชีมาอยู่กับเราเนี่ยก็พระอาจารย์มองว่าเหมือนเหมือนลิงเลยนะอืมครับก็คือยังเด็กอยู่อือคือยังเด็กอยู่แล้วบางทีเราวันก่อนพระอาจารย์กับอาจารย์เสริมชยัยเจอเองเลยเราเราปกติ อาจารมาอาจารย์เฉลิมชัยนี่ไปทุกเวทีนะคนเต็มคนเต็มแล้วสนุกสนานไม่มีใครลุกออกเลยหมดเวลาก็ขอต่อวันก่อนมาสอนลูกแทนคู่กันบอกให้ฟังมันฟังที่ไหนเขาาไม่เขาไม่รู้เลยนะว่าศิลินี่ศิลปินระดับประเทศอะไรนี่นะไม่ด้ยเขาไม่แคร์ดซ้ำไปว่าเราอยู่ตรงนั้นกันสองคนอาจารย์เฉลิมชัยพยัญชนบอกว่าลูกเอาละเราจะสรุปแล้วไม่สนอาจารย์เดี๋ยวอาจาจัดการอันมาสอนเข้าไป ลูกครับคุณลุงศิลปินแห่งชาติจะสรุปแล้วนะครับมันวาดรวบตอกสุดท้ายเราสรุปกันเองสองคนนี่นี่คือลิงเลยนะลิงมี2องข้หมายหนึ่งคือโซนสองก็ยังเต็มไปด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณแบบเด็กๆใช่ๆฉะนั้นพอมาอยู่กับเรานี่อาดามายังคิดอยู่เลยวันนี้ฉันคิดผิดหรือคิดถูกเนี่มารับเป็นครูใหญ่นะพอมาอยู่กับเราแล้วก็เออเราก็จัดหลักสูตรตอนนั้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเปลี่ยนใจเ้าก่อน <Ừ. S 2> ใจเขาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความช่างคิดเกิดขึ้นช่างคิด <c oughs> ช่างพูดช่างทรับช่างปฏิบัติแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นวันหนึ่งเมื่อมามาอยู่กับเรารแล้วสึกไปนะรเราเห็นได้ชัดเลยว่าว่าเปลี่ยนเลย บ, บางบางทีผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจบางทีเข้าใจว่าเอ๊ะบางที เด็กบางคนนี่เอาพิบวชเนรเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนสถานภาพในเรื่องของการเครื่องแต่งกายบางคนเข้าใจว่าจะเรียบร้อยเลยแต่ในความเป็นจริงคงไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีการศึกษาอยู่ในนั้นครับคุณเปลี่ยนแค่เครื่องแต่งตัวครับเปลี่ยนจากเนี่ยเครื่องแต่งตัวของชาวบ้านคือเปลี่ยนจากชุดปกติที่เราเห็นกันใช่ใช่มาเป็นชุดนักบวชครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนคำเรียกขานเขาเรียกคือเปลี่ยนสถานภาพครับคุณเปลี่ยนสองอย่างนี้นะแต่ถ้าใจเขาไม่เปลี่ยนนะไม่ดีมีผลอะไรใช่ครับฉะนั้นอาจารย์พูดเสมอว่า คำว่าบวชเนี่ยนะมันไม่สําคัญว่าบวชสั้นบวชยาวนะห้าวัน10วัน7วัน1เดือน3เดือน1ปีไม่เกี่ยวสําคัญคือคุณบวชแล้วเนี่ยคุณเรียนอะไรครับฉะนั้นในในการบวชจึงมีคําว่าบวชเรียนท่านไม่ได้บวชทําอย่างอื่นนะคือไม่ได้หมายถึงบวชนี่คือโกนผมเข้าวัดเปลี่ยนไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยถ้าคุณไปบวชวัดไหนแล้วไม่มีการเรียนการสอนอยู่ในนั้นแล้วจบข่าวเลยคแทบไม่ได้ประโยชน์ที่นี่เราจึงพูดเสมอว่า ถ้าบวชต้องเรียนนะลูกรเราจึงเอามาก่อนเลยปีที่แล้วก็เรียนรู้รักโลกเห็นไหมปีทีนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> เรียนเล่นเป็นเปลี่ยนเราคงคําว่าเรียนไว้ครับเพราะมันเป็นแก่นของการบวชถ้าบวชมาแล้วไม่ได้เรียนนี่เราก็สามารถเป็นได้แค่ผู้ผู้ครองสมณเพศครับแต่ไม่ได้ครองศีลาจรวัตให้หน้ากราบหน้าไหว้ไม่ได้ครองสติปัญญาให้เป็นผู้นําทางปัญญาคน ฉะนั้นถ้ามาบวชแล้วได้แค่สถานภาพนี่พูดได้เลยนะว่าอย่ามาคุยแล้วกันว่าฉันบวชมา20ปี30มบปี<ม>บางทีบวช20ปี30ปียังจับไม่ถูกเลยว่าอะไรครือสาระเก่นสาระแกนสารกลนาระเกนาระเกลีสาระเกลียนสา ร, าระเกลียนาระเกลียนสารเกลียนสาระเกลียนากีนยงงนสเียังไระเกลยนาระเกลียนสารเกลียนสาระเกลยนาระเกลยนสาระเียาระเียนสาียนาระเกลียารเกลียนระเกอยนสาระเยนสารเกลยนสาระเกลีาระเกลียนสาระก็ยังาอคุยกันได้นะ แต่บางรายไกลถึงขนาดไปทำประหลัดอําเภองเงี้ยครับประหลัดโน่นนี่นั่น ค, คืออย่างนี้มันมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าสิ้นเชิงแล้วไงครับครับเนี่ยพระอาจารย์ถึงบอกว่าในการบวชถ้าไม่มีการเรียนพระเราจะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรครับแต่ว่าเปลี่ยนสังคมนะเปลี่ยนตัวท่านเองให้หน้ากราบหน้าว่าอย่างไม่ได้เลยแสดงว่าในแต่ในมุมหนึ่งพุทธศาสนิกชนนี่ก็อาจจะต้องนําไปพิจารณาด้วยหรือเปล่าครับพระอาจารย์ เพราะว่าบางทีเราจะมักจะเข้าใจว่าคนเรานี่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่เครื่องนึ่งหม่มเปลี่ยนแค่คําเรียกขานเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราเราไปไปเข้าใจว่า อ, อ๋อบุคคลเหล่านั้นก็น่าจะเปลี่ยนแล้วเช่นพอเปลี่ยนเป็นพระอาจจะระยะสั้นระยะยาวบางคนก็คาดหวังแล้วว่า อ, อ, อุปนิสัยน่าจะเปลี่ยนน่าจะดีขึ้นหรือแม้แต่แม้แต่กระทั่งไม่ต้องเป็นพระก็ะได้นะครับเป็นคนไปปฏิบัติธรรมนี่บางคนกลับจากการไปปฏิบัติธรรมมเจ็วันแต่ยังมีอารมณ์โกรธอยู่บางคนไปกระแนะกระแหนานี่นี่ไปปฏิบัติธรรมแล้วนิสัยยังเหมือนเดิมนี่นี่ บางคนอาจจะเขาอาจจะคาดหวังมากไปหรือเปล่าอะไรแบบใช่ไหมฮะโดนเว้นหนักกว่าเก่านะครับเพราะเพราะว่าบางทีไปแล้วมันได้มาแต่เขาเรียกว่าได้แต่มาดอ่ะอืครนะไปแล้วได้แต่ทุ่งทีลีลากลับมาครับเออแต่เนื้อในไม่ได้อะไรเลยอฉะนั้นเรื่องเรื่องเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนว่าคุณมาบวทปั๊บอ่ะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนครับสองเปลี่ยนสถานภาพก่อน แต่สอันนี้ยังไม่ใช่เปลี่ยนที่งท้ายจริงที่เราวางไว้เปลี่ยนที่เราต้องการคือเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจครับถ้าถ้าเด็กคนหนึ่งเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้เขาเปลี่ยนทั้งชีวิตและหนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนนะนั่นคือโลกหนึ่งใบที่เปลี่ยนครับเราจึงบอกว่าคํำว่าเปลี่ยนเนี่ยนะคือเปลี่ยนตนและจากนั้นเปลี่ยนคนทั้งโลกคือเริ่มเปลี่ยนจากตัวเราเองก่อนตัวเราเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายนอกใช่สมมุติอ่าคุณโยมมาบวชปั๊บ คุณยอมาเรียนรู้เรื่องเมตตาการุณาครับจากนั้นคุณไม่ฆ่ามดไม่ฆ่าแมงแล้วนะเห็นไหมว่าสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วปกติเด็กๆนี่เจองูนี่ฟาดก่อนเลยนะงูยังไม่ได้ทําอะไรนะอันนี้นเราทําตามสัญชาตญาณของเรานั่นไงสัญชาตญาณเี็กพอมาที่นี่ปั๊บเด็กหยุดดูโอ้นี่ไงครับเพื่อนร่วมโลกอเห็นไหมถ้าปล่อยตามสัญชาตญาณเดิมงูครับวิ่งหาไม้เราเป็นเด็กเราก็เคยทําครัำนะ แต่พอเรามาเรียนรู้ปั๊บเราเปลี่ยนจิตเปลอ่ยนใจแล้วว่าโอ้ทุกชีวิตสําคัญหมดครับความสําคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดครับว่ามดกับช้างอันไหนสําคัญมากอันไหนไม่ได้ไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงวัดที่ขนาดของวัดที่ขนาดตัวแต่ว่าคุณค่าในเชิงของชีวิตนี่มีเท่าไหร่เพราวัดที่คุณค่าว่าในฐานะสิ่งมีชีวิตมดก็ดีช้างก็ดีครับสิ่งนี้มีคุณค่าชีวิตเหมือนกันทุกชีวิตเสมอกันฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําลายเขาครับถึงแม้เขาจะตัวเล็ก แค่ไหนก็ตามนี่พอเราเปลี่ยนวิธีคิดอย่างนี้ปั๊บเด็กๆของเราไปเห็นนกหนูหงสปีกแมงมุมตุกแกอะไรที่นี่นะโอทีนี้เมตตามหมดครับเขาอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมโลกใกล้ตัวเขาเปลี่ยนจากนั้นไปถึงคนเชื่อมไปถึงคนครับก็ดีต่อคนคนก็ได้รับการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง น, นี้โลกมันจะเริ่มเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดทีละนิ ด, ลนดและพระอาจาร นี่อย่ามาคาโลกเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าไปเปลี่ยนแปลงโลกเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรหมายความว่าคุณเปลี่ยนก่อนนะคุณกลับบ้านพ่อแม่คุณจากที่ไม่เคยเข้าวัดก็มานั่งดูคุณทั้งคืนทั้งวันพ่อแม่เปลี่ยนมเปยครับเปลี่ยนอะไรก็เริ่มซึมซับลูกเนนหนหนึ่งรูปลูกชีนหนึ่งคนมาอยู่กับเรานะดูกันทั้งบ้านนะญาติวงพงษามาดูหมดอากงอาแม่อาจารที่ไม่เคยเฝ้าจอเลยมาเฝ้าดูลูกเนนหล้านเนนมีความสุข อย่างที่ใจมีความทุกข์เปลี่ยนเป็นใจที่มีความสุขก็มีอิ่มเอิบขึ้นอิ่มเอิบแล้วเราเปลี่ยนอย่างนี้โรคเน้นเปลี่ยนตัวเขาก่อนเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัดเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนความรู้ความคิดเปลี่ยนสีเราจะระวัตให้งดงามหน้ากรามหน้าไหวคนใกล้ๆเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนตนเปลี่ยนคนทั้งโลกเพอวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแน่นอนเราก็ต้องพูดถึง บุคคลต้นแบบนะครับที่เวลาเราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างนี้เรามีบุคคลต้นแบบนี่มีความจาเป็นใช่ไหมครับอาจารย์บุคคลต้นแบบที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือสมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งท่านถือว่าเป็นบุคคลสําคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นทั้งผู้นำทางทางศาสนาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านน่าจะเป็นแรงบันดาลใจสําคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนวิถีชีวิตอยากจะให้พระอาจารย์ขยายความในจุดนี้หน่อยครับว่าสมเด็จพระสังฆราชพระยาสังวรนะครับท่านได้ มีที่ผ่านมามีประวัติชีวิตอย่างไรบ้างที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่สามารถนํามาเป็นต้นแบบได้ครับพระองค์ท่านนั้นต้องบอกว่าเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากการศึกษาครับพระองค์ท่านเป็นเป็นผู้ที่ใฝ่รู้อย่างยิ่งนะเห็นว่าตรัสได้ตั้งหลายภาษาครับ่รงนอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะแล้วพยายามเรียนอีกตั้งหลายภาษา ภาษาอังกฤษนั้นพระองค์ถึงขั้นที่เรียกว่าแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้ครับนะในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นนะมีฝรั่งไปเรียนกรรมาฐานเป็นเรื่องปกติแล้วก็ก็พระองค์เปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษเลยนะครับนี่คือความนี่คือสิ่งที่ต่างออกไปอืมถามว่าพรงคทันได้ยังไงก็ต้องกลับไปที่วัยเด็กครับ <c oughs> ตอนที่พระองค์ยังยังเป็นพระหนุ่มๆในขณะที่เรียนหนังสือจนไ ป, ไปถึงไปเรียนธรรมเจ็ดประโยคนะ วันหนึ่งท่านก็คิดว่าเอ๊เพื่อนเพื่อ น, น, นเรียนด้วยกันมาก็ลาเสื้อขาหมดอ่ะอไปเป็นเสมียนไปรับราชการคือในยุคนั้นมีมีความนิยมมาถ้ามาบทเรียนอ่านออกเขียนได้ครับก็ถือว่ามีความรู้พอที่จะไปทําราชการมสมัยนัน้นต้อใช้คําว่าไปทําราชการครับใช่ไหม <c oughs> องค์ท่านก็มองว่าเพื่อนเก็ไปหมดแล้วนี่เราก็น่าจะไปได้แล้วนะก็เลยกลับไปที่เมืองกาญนะั้นไปบอกโยอมแม่ยอมแม่ เด็กมาก็ประเดนเจ็ดละไม่ไม่ด้อยละจะขอลาสิกขาครับแม่ก็บอกว่าก็เอาสิไม่ไม่ห้ามหรอกแต่ว่าถ้าลูกสึกวันไหนแม่ก็ผูกคอตายวันนั้นแ่ละไม่ห้ามเลไม่ห้ามนะไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ว่าฟังไว้แล้วกันอ่ะก็สึกก็สึกสึกวันไหนแม่ก็ผูกขอตายวันนั้นพอได้ฟังอย่างนี้ปั๊บกลับกรุงเทพเลยอครับมาทุ่มเท เรียนหนังสือต่อจนสําเร็จปรเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคอืมพอสําเร็จปรี่ยนธรรมเก้าประโยคโอ้คนดีใจที่สุดคือแม่ใช่คยอมแม่ครั บ, รบเหตุการณ์ตรงนี้สําคัญมากอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณ์คนบ้านเดียวกันคนคนบองการครับท่านก็ามาเขียนไว้ว่า <c oughs> ถ้าถ้าไม่มียอมแม่ของท่านไม่มีสังฆราชวันนี้ของคนไทยครับเพราะ ถ้าแม่บอกว่าเออเอาเธอลูกถ้าเรียนมาเต็มที่แล้วก็ศึกเธอะครับจบเลยนะครับสมเด็จพระสังฆราชนักปราชญ์ไม่เกิดขึ้นครับแต่พอยมแม่เนี่ยมองการไกลมองเห็นว่าถ้าศึกไปก็ไปเป็นเสมียนเป็นโน่นเป็นนี่ก็เป็นมนุษย์ไม่มหัศจรรย์อ่ะครับแต่ถ้าอยู่ต่อไปนี่จะกลายเป็นพระที่มหัศจรรย์ได้ซึ่งเรื่องนี้ครั้งหนึ่งนี่เคยมีในหลวงดูเหมือนจะในหลวงแล้วจ้าการด้วยสิท่านได้ตรัสไว้กับ อดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งครับซึ่งเหมือนกันเลยนะเหมือนทุกอย่างเลยเป็นอดีตสมเด็จพระสังฆราชนะก็เป็นประเด็นทำเก้าประโยคเหมือนกันครับก็ไปขอลาศึกษาในหลวงท่านก็บอกว่าเออสึกก็ศึกดีอืแต่ควรจะรู้ว่าอย่างนะคนอย่างท่านถ้าสึกไปเนี่ยคนอย่างนี้หาง่ายมากที่ไหนก็มีถนนโดนแคมมีหมดเลยพวกประเด็นลาพดเลยนะครับคือคือก็เป็นคนธรรมดาทั่วๆไปใช่ คือเด็กศึกไปก็เหมือนเหมือนคนทั่วไปอะ่ะเยอะแยะไปพวกปริญญาพอดที่ศึกแล้วไปทํางานบริษัทห้างและโน่นนี่นั่นจะเอาที่ไหนก็ได้เรียกว่าเหมือนจบปริญญาตรียุคนี้นะฮะ<ช>เ่เต็มไปหมดแต่ถ้าคุณอยู่ไปนะคุณจะเป็นคนหายากอ๋อครับครับถ้าอยู่ต่อไปนะท่านจะเป็นพระที่หายากมากครับครับเพราะความรู้ระดับนี้เนี่ยถ้าอยู่ต่อไปในสังคฆมณฑลจะเป็นพระที่หายากเป็นบุคคลที่หายากแต่ถ้าศึกไป ท่านจะเป็นคนหาง่ายเอา้าคิดเอาจะเป็นคนคหาอยากหรือเป็นคนหาง่ายครับถ้างั้นฟังจากเรื่องเล่าที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังทั้งสองเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าการที่คนเรานี่จะเปลี่ยนได้นี่นอกจากที่เราจะคิดเองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในกาลยายนนี้มันสำคัญไหมนี่ไงส ำ, ส, สำคัญที่สุดเลยสําคัญที่สุดเพราะอะไรฝรั่งก็บอกว่าคุณโชว์ให้ฉันดูสิว่าใครเป็นเพื่อนคุณอฉันจะบอกคุณว่าอนาคตคุณเป็นไง แสดงว่เาเขาดูจากคนแวดล้อมเราได้เลยว่าเราเลือกองเลือกต้องรบเลือกคนใครนะครับ ค, คือความสําคัญของกัลยาณมิตรเลยนะพระพุทธองค์เนี่ยจารไว้เลยว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของชีวิตที่ประเส ร, ริฐพระอานอนท์ไปทูลบอกว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่แสนดีเนี่ยนะน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของระบบการบวชหรือการครองชีวิตที่ประเส ร, ริฐพระพุทธเจ้าบอกว่าอานอนท์อย่าพูดอย่างนั้นกัลยาณมิตรไม่ใช่ครึ่งหนึ่งกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดเลยครับเพราะอะไร ถ้าเราได้กัลยาณมิตรชีวิตเราเปลี่ยนรปรากฏว่าทั้งสองคนที่พูดมาเมื่อกี้นะอดีตรพระมหาเจเริญพระนามของท่านในขณะนั้นก็กลายมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชและพระที่ไปขอทูลลาในหลวงคราวนั้นก็กลายมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชอีกพระองค์ครเราได้สมเด็จพระสังฆราชสององค์เพราะคาพูดในลักษณะเดียวกันจากกัลยาณมิตร เราลองมาสรุปให้ใกล้เข้ามาอย่างเช่นบรรดาสามาณีน้อยกับแม่ชีน้อยนี่ถ้าสมมติว่าไม่มีกัญญาณมิตรอย่างเป็นอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นถึงความสําคัญในการที่จะใช้หลักธรรมนะครับมาเป็นเครื่องเปลี่ยนเครื่องขัดเกลาเด็กๆนะฮะเขาก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกก็อาจจะหมดช่วงเวลาปิดเทอมนี้ไปกับการไปเลีนพิเศษเลีนเกมอะไรแบบนี้นะครับเต็มที่ก็เรียนพิเศษหรือไม่งั้นก็พ่อแม่จะพาไปเที่ยวแล้วก็เปิดเทอม ไม่มีอะไรอแต่พอเขามาอยู่กับเรานะหนึ่งเดือนที่อยู่กับเปล่าครับอาจจะเก็บดอกผลกินไปตลอดชีวิตเขาอและถ้าเขาได้รับอะไรไปมากกว่านั้นวันหนึ่งเขามีครอบครัวครับเขาสร้างครอบครัวที่ยอดเยี่ยมครับเป็นผู้บริหารนะหนึ่งเดือนที่เราให้ไปมันคงไม่สูญเปล่าก็จะกลายเป็นผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นถ้าเราเปรียบเป็นเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งเราก็ค่อยๆเรียกว่าเป็นเป็นอิฐที่ค่อยๆวางไปทีละก้อนนะครับอาจารย์ที่ค่อยๆทําให้แข็งแรงขึ้นคือคือพ่อแม่เนี่ยเทฐานแล้ว เทพานได้ร้อยแล้วนะขึ้นโครงแล้วครับมาที่นี่เรามองหลังคาให้ครัถ้างั้นเรามองในมุมกลับครับพระอาจารย์แสดงว่าพ่อแม่ที่บอกว่าเป็นกัลยาณ์ในแบนี้พ่อแม่นี่ก็ต้องมีมีใจที่เข้มแข็งพอที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกแม้ว่าวิธีที่จะทําให้ลูกเปลี่ยนนี้อาจจะต้องทำให้ลูกลําบากบ้างสินะอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าพ่อแม่หลายคนเอาลูกมาอยู่กับเราครับ ตอนตอนที่เราไปตระเวรรับสมัครเนโอ้โหพ่อแม่เนี่ยยอมทุกเง่อนไขเลยได้ลูกได้ออกทียังไงก็ได้ขอให้ลูกไปอยู่ในส่วนหนึ่งของโครงการไปอยู่ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์พอลูกมาอยู่กับเราปุ๊บนี่พระอาจารย์ลูกโยมนะยมยังไม่ขนาดนี้เลยนะอนี่เขาต้องตื่นแต่ตีห้ทุกวันแล้วพระอาจารย์ก็เอานอนดึกสักสามทุ่มเกินไปหรือเปล่าครับหลายคนก็โถตําหนิติติงมาเราก็ต้องบอกว่ายม โยมอย่าลืมสิว่ากว่าที่เราจะคัดลูกของโยมมาอยู่กับเรานะครับรู้ไหมว่าเราคัดมา8คนเด็กสมัครมาทั่วประเทศเกือบ 3,000 ันคนไหนคุณบอกว่ายินดียินดีนให้เราสอนยินดีให้เราแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าคุณจะมาใจสอนเอาลูกคุณออกตอนนี้นะคุณรู้ไหมคุณทําให้ลูกคนอื่นเสียโอกาส 3,000 ันคนครับครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่กับเราวางใจเราสิวางใจเราเพราะเราทํามากี่ปีแล้วครับ โดยเฉพาะอย่างพระอาจารย์และทีมงานนี่ยพระอาจารย์เนี่ยนี่บวชลูกเนรแปลูกชี8นะก่อนหน้านั้นคุณยอมรู้ป่ะพระอาจารย์บวชบวชเนะเดือนเมษาที่ผ่านมาทั้งเดือนพระอาจารย์บวชทีหนึ่งสองร้รูปยิ่งกว่า8รูปเด็กี่เท่าเพราะฉะนั้นปีหนึ่งหปีมานี้พระอาจารย์บวชเนรนะเฉพาะในเดือนเมษาปีล้อยสองร้อยสแล้ว200ร้อยเนี่รู้ป่ะร้อเพราะว่าพันแม่หมดเลยทําไมเด็กเหล่านั้นอยู่ได้ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ที่สำคัญที่สุดคื อ, ต, อต้องต้องมาต้องรู้นะว่าอยู่ที่นี่เด็กเข้ามาอยู่กับกัลยณาณมิตรนะครับและกัลยาณมิตรนี่ไม่ใช่ว่าเราไปฉกมาจากไหนก็ได้นะเราต้องเลือกก่อนพระอาจารย์กรองพระกรองเนนทั้งประเทศที่จะมาเป็นพระพี่เลี้ยงนะส่องแล้วส่องอีกเลือก ค, คนที่ดีที่สุดมาเลี้ยงลูกแทนโยมอะ่ะเพราะฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายนี่บอกได้เลยว่าวางใจเลยว่าเราเนี่ย สอนลูกของท่านเหมือนดังหนึ่งเป็นลูกของเราครับแน่นอนว่าบางครั้งท่านอาจจะขัดหูขัดตาและขัดใจแต่อย่าลืมสิว่าเวลาที่เขาปั้นหม้อเวลาที่เขาปั้นแจกันต้องทุบบ้างฮะมัต้องทุบต้องตีบ้างนะครับต้องตบต้องตีอะไรที่เป็นเศษอยากแย่ขยะไม่ดีไม่งามที่มันอยู่ตรงนั้นก็ต้องดึงออกคุณมาอยู่ให้เราคุณอยากได้แจกันที่งดงามแต่อย่าอย่านะครเออถ้าอย่างนี้คือคิดไม่ถูกต้องครับฉะนั้นขอให้เราวางใจในกัลยารครับ ถ้าเราไปแทรกแซงการยานมิตรมากไปมากไปบางทีทุกอย่างมันกําลังจะไปได้ดีนิดสอดมือเข้ามาฉแลกออกนอกทางครับปีที่แล้วมีเด็กคนหนึ่งมาอยู่กับพระอาจารย์นะแล้วพระอาจารย์จัดโครงการ9วันที่ฉันตือนนี้เราครับจากทั่วประเทศเลยคือคือสมัครมาในตอนนี้ยิ่งกว่าเข้าโรงเรียนเกรดเอของประเทศไทยนะแล้วเด็กนี้ต้องมีจดหมายด้วยพระอาจารย์ไม่ไหวจะเคลียร์คือรับไม่ไหวพอมาบวชกับเราปุ๊บผ่านมา8วันวันที่9้าจะสึก คืนวันที่แปดมาขอศึกอ่ะพ่อมาแม่มาคอาโงงอามาอาเจกมาหมดบ้านเลยลูกลูกเป็นนักเรียนแพทย์นะจะเปิดเทอมอยู่หลังโครงการนี้ล้วครับอือาจารย์ก็เลยบอกว่าเออลูกจะศึกหรือพรุ่งนี้เราจบโครงการนะจะศึกคืนนี้คืนนี้วันที่แปดนะครับผมศึกคืนนี้เลยผมไม่ได้แล้วผมต้องศึกเคยได้ยินคําว่าร้อนพระเหลืองไหมเขาร้อนจริงๆรินะอาจารย์ก็บอกเอาพ่อแม่ว่าไง ก็ก็เขาเขาจะสึกก็ต้องสึกก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คําว่าแล้วแต่เนี่ยมันทําให้เขาเสียคนจนถึงป่านนี้ไงครับพอมาถึงพระอาจารย์พระอาจารย์ก็แล้วแต่เหมือนกันนะแต่แล้วแต่ยังมีข้อแม่ลูกเอางี้อ่ะพ่อแม่ไม่ห้ามพระอาจารย์ก็ไม่ห้ามมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของลูกเหนับแต่เราจะจบโครงการวันพรุ่งนี้นะลูกนี่ลูกลุยกับเพื่อนมานะร9อคนแล้วทุกคนอยู่รอดแล้วก็จะจบพรุ่งนี้อย่างสง่างามแต่ลูกจะแหกค้งสึกคืนนี้หนึ่งลูป ลูกเรียนหมอใช่ไหมครับอือีกสิปีข้างหน้าลูกจบหมอแล้วไปเป็นพอโรงพยาบาลครับถ้าลูกจะลงตำแหน่งพระอาจารย์จะไปร่วมนะแล้วในการกล่าวแสดงความยินดีพระอาจารย์ก็คงจะพูดตามความจริงว่าตอนนั้นบวดกับพระอาจารย์แต่ไม่รอดนะเนี่ยแหกโค้งวันสุดท้ายเลยก่อนวันสุดท้ายหนึ่งคืนคุณหมอของเราเนี่ยศึกก่อนเพื่อนคุณหมอคงเสียฟอร์มหน้าดียวเลยครับพระอาจารย์เลยบอกอยากให้พระอาจารย์พูดถึงลูกว่าไงออื อยากให้พูดถึงลูกว่าอยู่จนจบโครงการและเป็นตัวอย่างที่ดีของเนนทั้ง200รู้ป<ะ>เขาฉายแววตั้งแต่สมัยบวชแล้วครับรู้อีกแบบหนึง่งโอ้ยตอนนั้ น, เ, นเอาพ่อเอาแม่มาหมดแล้วขอศึกคืนวันที่8งานเขาจบวันที่เก้านี่นี่คือตัวอย่างของไอ้ขี้แพ้เลยแล้วตอนนี้มาเป็นคุณหมอโอ้โหจะบริหารโรงพยาบาลไหวเหรอหมออาจารย์บอกลูกลูกมี2ปุ่มให้เลือกจะให้อาจารย์พูดถึงลูกแบบไหนหนึ่งไอ้ขี้แพ้ศึกก่อน1วัน 2 ส, สุดยอดของพระนุ่มเนรน้อยในยุคนั้นที่บทด้วยกันทั้งหมด อ, มอมทุกวันนี้ถึงกลายมาเป็นยอดคุณหมออ า, อาจารย์ถามมาลูกเอาลูกกดได้เลยครับปุ่มหนึ่งไอ้ขี้แพ้ปุ่มที่ส2สุดยอดของสา ม, มนเณนรนี่แสดงว่าบทบาทของกัลยาณมิตรนี่ไม่ใช่ให้ความรักอย่างเดียวบางทีเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนี้เราต้องต้องกล้าทัดทาน น, นี่สำคัญาาที่สุดกัลยาณมิตรคือคนที่พูดความจริงครับแม้ความจริงนั้นบางครั้งเราไม่อยากฟัง พอพระอาจารย์พูดอย่างนี้ปั๊บเขากดปุ่มสองและไม่เสกตอนนี้ผ่านมา3ามปีพานักเรียนแพทย์นักเรียนหมอมามาฝึกกับพระอาจารย์แล้วเขาบอกว่าพระอาจารย์ครับทุกวันนี้แพทย์ของเราเนี่ยอยากจะเป็นแพทย์กันก็เพราะว่าอยากจะได้เงินขอพระอาจารย์เถอะครับพระอาจารย์เสกให้เขารู้จักคําว่าจิตพระโพธิสัตว์หน่อยจิตอาสาคืออะไรการรับใช้เพื่อนมนุษย์คืออะไรเพราะช่วงที่ผมอยู่ที่นี่ผมได้เรียนเหล่านี้ทั้งหมด เห็นไหมนี่พอเขาไม่แห่โค้งนะตอนนี้เขาจะไปได้ดีมากเลยครับคบฉะนั้นกัลยะาณมิตรคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ต้องระวังครับเรารักเขาแล้วเราชอบตามใจเขาครั บ, รบเราไม่ยอมไม่ยอมที่จะสอนเขาอย่างตรงไปตรงมาถึงผลดีผลเสียครับที่จะตามมาหลังจากการที่เขาตัดสินใจไม่ถูกครับฉะนั้นยมแม่ของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านบอกว่าลูกศึกก็ได้นะแต่ถ้าลูกศึกอมแม่ผูกคอตาย นี่คือการห้ามอย่างมีศิลปะและผลจากการพูดประโยคนี้ของโยมแม่ครับเราได้พระนักปราชญ์รเราได้พระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นพระพี่เลี้ยงครับตอนที่พระองค์ท่านทรงพระพันหนดอ๋อคือเราได้ได้ผลที่ดีงามต่อเนื่องกันมาเรารได้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงค์คือมหามากุราชวิทยายลายัยเราได้ประธานกรรมการมหาเถรสมาค ม, มเราได้สมเด็จพระสังฆราช เราได้พระมหาเถระพูดนำการพระศาสนาออกไปเชื่อมกับโลกพภพงท่านเสด็จต่างประเทศและไปเจริญศาสนาเมตตรีรและเราได้สเด็จพระสังฆราชที่มีพระชนยืนานถึง 100, 1 0 0่รรษาครับาคุณโยมคิดว่าคำเตือนของแม่หนึ่งประโยคนั้นได้อะไรนี่คือนี่คือพลังของกัลยาณมิตรครั บ, รบพอเรามีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วนี่ อันดับถัดไปในการฝึกตนนะครับถ้าเรานําเรื่องราวของสมเด็จพระสังฆราชของเรานี่มามาเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็จะเห็นว่าการฝึกตนเองให้เป็นคนมีความเพียรพยายามมุมาณนาะนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับอาจารย์ถูกต้องครับคือการเพียรนะคุณยมเพียรเนี่ ย, ย, ย, นนยท่านไม่ได้หมายความว่ามาหักห่มน ะ, ะบางทีเราไม่เข้าใจผิดว่าความเพียรหมายความว่าใกล้สอบก็จัดหนักสักทีหนึ่งถ้าไม่หลับไม่นอ น, นอันนี้ไม่ใช่เพียรอันนี้คือหักหม่คมคําว่าเพียรเนี่ย ท่านบอกว่าทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่หมายถึงสม่ําเสมอใช่ไหมอาจารย์สม่ำเสมอโดยที่ในคัมภีร์หนึ่งท่านเปรียบว่าความเพียรเนี่ยไปเรื่อยๆเหมือนงูเลย<อ>งูนี่ยถ้ามันเลื้อยมันไปเรื่อยๆอจ <ะ S 1> นงจุดหมาคือมันไม่ใช่หมายถึงว่าช่วงหนึ่งก็โหมวิ่งโซเร็วเลยแล้วก็ช้าแล้วก็อืดนอนนิ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเหมือนท่านเปรียบเทียบว่าความเพียรที่ถูกต้องจะไปเหมือนงูเลื้อยคือไปอย่างต่อเนื่องที่ไม่ถูกต้องจะเหมือนกิ้งก่าเคยเห็นกิ้งก่าววิ่งไหมกิ้งก่าววิ่งจี้มอง มองดูอชะเงยใช่ไงแล้วก็จุดจุยดแล้วก็มองอ่าครับครับอเนนี้พวกพวกเขาเรียกว่าเพียนเป็นพักพักครับพอใกล้สอบปั๊บก็บเพียนมีแต่พวกพักหนักกว่าเพียรอะไรเงี้ยใช่ใชอันนี้ไม่จริงไม่ใช่ความเพียนครับนะความเพียรเป็นจุดตัดที่สําคัญมากเพราะว่าคุณมาบวชแล้วคุณมาเรียนแล้วแต่คุณไม่ได้เพียนที่จะฝึกหัดพัฒนาตนการบวชนั้นก็ไม่มีความหมายใช่ฉะนั้นลูกเรียนของเราเนี่ยเราจึงสัปดาห์แรกของเป็นปั๊บเราให้เพียนเลย นั่นก็คือวันนี้เราจะให้ฝึกปฏิบัติทุดดงเขวัตทุ ด, ดงเขวัตปกตินี่ยหลายหลา ย, หลายที่หลายแห่งบางทีลูกเนนลูกชีไปบวชก็ไม่ค่อยได้ฝึกมากมองว่าเขาเป็นเด็กครับแต่โครงการของเราเนี่ยเรามองว่ายิ่งเด็กสียิ่งดีเพราะอะไรก็ไม่อ่อนดัดง่ายใช่ไหมไม่แก่ดัดยากแล้วถ้าเขารู้จักทุดดงเขวัตที่ถูกต้องซะตั้งแต่อย่างเด็ก วันหนึ่งเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ปฏิบัติผู้งดงได้ถูกต้องแล้วเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตครับเราจึงตั้งใจว่าเด็กๆ ก, ก็ปฏิบัติข้อวัดที่ขัดเกล้าเหมือนพระที่บวชมานานแล้วได้เหมือนกันอครับหรือบางทีบางทีบางบางทีเราบวชมานานเราก็แทบไม่ได้ปฏิบัติก็ไั บ, บเพราะฉะนั้นที่นีนะ่เราถือว่าอะไรที่เป็นข้อวัดที่ควรปฏิบัติเราก็พยายามที่จะเติมให้ลูกๆนะลูกเรีนลูกชีของเราให้ได้เรียนรู้ตั้แต่ต้นมือครับ บางทีเราพูดถึงธุดงควัดความเข้าใจของคนทั่วๆไปก็จะติดภาพว่าทุดงนี้ก็คือการที่พระท่านต้องเดินเดินออกไปเดิน <ๆ S 2> เอาไว้ใช้ชีวิตปรีกวิเวกนะฮะในความหมายของทุดงควัดนี่คืออะไรครับป้าจย์เรื่องเรื่องนี้นี่เดี๋ยวว่าแต่โยมและแม้แม้กระทั่งพระอาจารย์เองเนี่ยก็เพิ่งมาทําความเข้าใจใหม่ครับว่าตกลงทุดงคืออะไรกันแน่พอดีช่วงนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยพระพรหมคุณาภร์ออกมาท่านทําความเข้าใจเรื่องทุดง ก็เ ร, เริ่มตั้งแต่ถ้อยคําเลยนะลุงนะทุต ด, ดงแป ล, ปลว่าองค์แห่งการขัดเกลากีเลศครับฉะนั้นทุกสิ่งที่เราทําในขณะที่ปฏิบัตถถิทุตดงต้องนําไปสู่การขัดเกลากิเลศ <enden S 2> แล้ววัดก็คือข้อข้อประพฤติข้อปฏิบัตินะทุต ด, ดงทวัดแปลว่าข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลศครับและในบรรดาข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลศสิบข้อนั้ น, น <enden S 2> <arose> อ่ะไม่มีข้อไหนเลยที่เขียนว่าเดินทุตดงอ๋อฮะฉะนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจแหม่ว่าทุตดงทวัดมาถึงปฏิบัติทุตดงครับ ไม่ได้หมายความว่าเดินธุดงแต่คนไทยจะติดใจว่าอไปเดินธุดงไปเดินธุดงก็เพราะว่าการปฏิบัติธุดงนั้นโดยมากที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นสายพระวัดป่าครับนะสายพระวัดป่าท่านก็ต้องเดินเข้าไปปฏิบัติในป่าคนก็แล้วคําว่าเดินมาเชื่อมกับธุดงก็กลายเป็นเดินธุดงครับก็ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเราคิดว่าธุดงคือเดินธุดงคเราจะลืมธุดงทุกข้อไปเลยพอบางรูปเช่นบางรูปท่านฉันมือเดียว ครับนะจริงๆท่านกำลังปฏิบัติทูดงอยู่นะอ๋อครับบางรูปท่านฉันในบาทเนี่ยครับก็ปฏิบัติทูดงอยู่แต่เราคิดว่าไม่ใช่เพราะทูดงคือเดินนี่ท่านเล่นไม่เดินไปไหนเลยออครับเออบางรูปท่านอธิษฐานทั้งคืนเลยหรือตลอดพรรษาท่านไม่นอนเลยนะครับนั่นเนี่ยท่านถือการานั่งอย่างเดียวจะไม่เองหลังลงนอนตลอดพรรษานี่ก็เป็นทูดงกวตดครับหรือบางรูปไม่นอนในกุฏิวิหารเลยตลอดหนึ่งพรรษาจะนอนที่โคนไม้และอยู่ในกรดเท่านั้นนี่ก็เป็นทูดงกวตดครับ ที่พระอาจารย์บอกว่าทูดงเขวัตนี่เป็นเครื่องมือในการขัดเกลากิเลสแสดงว่าวิถีเหล่านั้นก็เป็นวิถีหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลากิเลสไม่ว่าจะเป็นเช่นการการตั้งให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ล้มตัวลงนอนอันนี้ก็เป็นการฝึกขันติฝึกสัจจะึนะครับฝึกสัจจะเลยเช่นหนึ่งพรรานี้เราจะตั้งเลยว่าเราเราจะไม่ล้มตัวลงนอนต้าง่วงจริงๆเราก็จะนั่งจะนั่งหลับอย่างเงี้ยนั่งจำวัดอย่างเงี้ยล่ะครับหรือ ตลอดหนึ่งพันศานี้เราจะไม่รับกินนิมนต์เลยเราจะรับจะรับอาหารเฉพาะเมื่อเราไปบินธบทเท่านั้นใครมานิมนต์ไปโน่นไปนี่เราจะไม่ไปครับหรือเมื่อเราได้ลงมือฉันไปแล้วใครเอาอะไรมาประเคนทีหลังเราจะไม่รับอีกนี่ก็เป็นทู ด, ดงทั้งนั้นครับทู ด, ดงอย่างเนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อขัดกล่าวกิเลสถ้าเราทําความเข้าใจถูกต้องเราก็จะไม่เอาไปปนครับ ก่อนจะถามถึงว่าเดี๋ยวสามเณรน้อยกับแม่ชีน้อยจะได้ทําอะไรบ้างในทุดงควัตผมลองเปรียบเทียบให้มาสําหรับผู้ชมหรือว่าคารวะใกล้ๆตัวแสดงว่าจริงๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องเป็นนักบวชเราก็สามารถมียึดหลักธุดงคภวัตได้เลยครับเช่นช่วงนี้เรามันจะอ้วนไปหน่อยไหมเออนะข้าพเจ้าละรถมือเย็นซะหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนครับออธิษฐานลดเลยลดเหตุแห่งความอ้วนทั้งหลายคุณก็อธิษฐานเอาหรือบางคน อยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าแหมเรานี่มันชักจะตามใจตัวเองมากไปไหนไหมอยากกินก็กินอยากดื่มก็ดื่มสรัสมเดือนนี้ตัดเลยอ น, นิษฐานตัดเครื่องดองของเมาทั้งหมดเลยนี่ก็ทุ ด, ดงอยู่ที่บ้านเลยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเราก็ให้ใหสัจจะ ก, กับตัวเองถูกต้องครับฉะนั้นทุ ด, ดงก็คือกุสโลบายในการ ฝึกหัดขัดเกลาร์ตัวเองให้กิเลสนั้นลดน้อยถอยลงจนกระทั่งว่าไม่เหลือเลยอันนี้คือแก่นและอันนี้คือความหมายของทุตดกันให้สัจจะกับตัวเองยกตัวอย่างว่าบอกเอาละฉันงดเหล้าเข้าพรรษาจะเข้าพรรษาแล้วนะฮะบอกจะงดเหล้าเข้าพรรษาสัหน่อยพอผ่านไปได้แล้วนี่คนที่ให้สัจจะกับตัวเองได้อะไรครับอาจารย์แน่นอนถ้าคุณงดได้คุณได้แน่ๆละวหนึ่งคุณได้รักษาสัจจะละ ค, คุณกลายเป็นคนที่จากที่ไม่มีสัจจะคุณมีสัจจะสองสุขภาพคุณดีวันดีคืนไหมครับคุณได้สุขภาพสามคุณประหยัดเงินไปเท่าไหร่คุณก็ได้เงินคืนมาแล้วและสี่คนที่ไม่ดื่มเหล้านี่บุคลิกภาพมันอีกระดับหนึ่งเลยนะมีความสงาา่างาเผยเลยนะครับดีวันดีคืนบุคลิกภาพก็ดีห้าจากนั้นใครที่เคยบอกคุณว่าขี้เหล้าเขาก็จะเลิกพูดคํานี้เลยครับเห็นไหมฉะนั้นคุณอดไปแค่หนึ่งแต่คุณได้มหาศาลดังนั้น ผูดงในพูดอย่างตรงไปตรงมาโยมก็ปฏิบัติได้นะถ้ามีโอกาสก็ลองประพฤติปฏิบัติดูครับตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หัวใจของทูดงเนะอยู่ที่สัจจะเพราะทูดงในคุณทําในป่าในดงในดอยทาอยู่ในบ้านในวัดของคุณมันเป็นเรื่องที่คุณจะสื่อสารกับตัวคุณเองล้วนๆเลยคือไม่มีไม่มีคนมาเห็นไม่มีคนมาเอากล้องมาติดให้เราดูนะว่าเราไปผิดสัจจะตอนไหนมันไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นเรื่องของการตั้งจิตตั้งใจของคุณเองถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ล้มเหลวเอง คุณทําได้คุณก็พัฒนาเองคฉะนั้นเป้าหมายของทูตดงนะเพื่อพัฒนาตัวเองอไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเราจะต้องจับประเด็นให้ชัดครับการปฏิบัติธรรมและจับประเด็นไม่ชัดพระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลแลพระตับปรามาสเช่นรักษาศีลพอมีศีลปุ๊บไปข่มคนอื่นอย่างเงี้ยอ่าบางคนทานมังสวรัตพอตัวเองทานปุ๊บคนอื่นไม่ทานคุณก็ไปว่าเขาครับอันนี้เรียกว่าศีลแลพระตับปรามาสแปลว่าปฏิบัติธรรมผิดจุดประสงค์ ฉะนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมนะสำคัญที่สุดเพื่อขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นต้องจับประเด็นนี้ให้ชัดย่อมถามอย่างนี้ทําให้นึกถึงอีกคําหนึ่งคือสมาธิครับพูดถึงสมาธิคําที่พ่วงมาด้วยคือนั่งสมาธิครับใช่ไหม ค, คนก็จะติดภาพอย่างนั้นออคนก็จะติดภาพไปไหนไปนั่งสมาธิเ อ, อจริงๆพระอาจารย์คิดว่าสมาธิสมาธิเนี่ยก็เป็นอีกคําหนึ่งที่น่าสนใจน่าจะสังสังกายนาใหม่เหมือนกันนะคือสมาธิมันไม่ได้ทําได้เฉพาะนั่งครับ เดินจงกรมก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสมาธินะเห็นไหมสมมติเรานั่งอยู่บนรถยิงเราทําสมาธิได้ใช่ไหมได้หมดนะครับคุณโยมอมาเชิงร้ายคุณนั่งเครื่องมาแล้วระหว่างนั่งเครื่องบินน่ะนัคุณเอนสบายๆคุณหลับตาคุณไม่คุยกับใครเนี่ยดูเราหายใจนะคุณก็ถือว่ากําลังปฏิบัติสมาธิอยู่ฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่าคําที่เหมาะสมก็คือคําว่าปฏิบัติสมาธิหรือฝึกสมาธิครับพอเราใช้คําว่าฝึกสมาธิเราก็เหมือนคืนอิสรภาพให้สมาธิเลยนะเพราะสมาธินั้นนั่งทําก็ได้ครับอ่า ยืนทาก็ได้รหรือกำลังกินข้าวอยู่ก็เคี้ยวสมาธิก็ไ ด, ด้ดื่มน้ำอยู่ดื่มสมาธิก็ได้ขับรถก็ขับสมาธิก็ได้นอนอยู่ก็นอนสมาธิก็ได้อันนี้คือความหมายที่แท้จริงขององค์ธรรมที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติครับพระอาจารย์แต่บางทีเวลาเราบอกว่าเราพูดถึงเรื่องของการฝึกตนบางคนก็จะไปเข้าใจว่าโอ้ยฝึกตนนี่มันเอาตั้งกายเอาชีวิตไปทรมานหรือเปล่านะฮะ บางคนก็อาจจะแหม จ, จะลําบากทําไมเราอยากจะกินอะไรก็กินสิเราก็ตามใจปากเราก็เอาแล้วบางทีมิหนำซ้ำบางทีเรายังมีข้ออ้างด้วยนะครับเช่นสมมุติว่าเรานัดกับเขาแล้วเรามาสายเรายังหาข้ออ้างว่าอ๋อมันมีอย่างนูน้นอย่างนี้ทําให้เรามาสายกลายเป็นเราก็ผิดศัจจ์ไปอีกอย่างนี้ฮะอย่างนี้บางทีเรามันจะมีเครื่องบางอย่างที่มันจะหลอกตัวเราทําให้เป็นอุปสรรคหนึ่งในการตัดสินเราต้องเราเฝ้าระวังยังไงครับพระอาจารย์อันนี้ที่เท่าที่ฟังมาอย่างนี้เขาเรียกข้ออ้างหมดเลยครับ ข้ออ้างหนึ่งมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งนะแรงบันดาลใจมันมาจากกิเลสอเอาความสบายเข้าว่าครับแต่การฝึกตนนั้นแรงบันดาลใจมาจากธรรมะเอาการฝืนจิตฝืนใจเข้าว่าครับฉะนั้นเวลาที่เราจะทําอะไรดีๆเนี่ยมันต้องฝืนและมันต้องฝึกคือต้องฝึกฝืนใช่มันมีสามคำคือฝืนฝึกฝนถ้าสามอย่างสามคำนี้เกิดขึ้นมาในชีวิตคุณกำลังอยู่ในการปฏิบัติธรรมล้ ฝืนนี่คือฝืนมาทำคุณไม่คุณไม่เคยทําคุณมาทําอย่างเงี้ยมันฝืนจิตฝืนใจไหมครับไม่เคยตื่นเช้ามาฝึกตือนนี่ฝืนไหมใช่ฮะไม่เคยทำวัดเช้าไม่เคยทำวัดเย็นอย่างเงี้ยมาทํามาฝืนไหมเช่นอยากจะกินของอร่อยนี่ก็ต้องฝืนระงับบ้างนะฮะองลูกเรนบางทีน้อยบินทบาดกับพระอาจารย์มันได้พระอาจารย์ตกใจมากเลยครับโยมันขนมมาใส่แล้วมันพูดทุกคําที่เห็นขนมยี่ห้อนั้นครับเรนน้อยพูดทุกคําเลยแล้วาจารก็หันไปดูมันอะไรกันเนี่ยลูกพ่อเห็นขนมหย่อนลงในบัตปั๊บมันพูดยี่ห้อขนมเลย ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดเส้นทางนี่คือวันแรกครับพอบิิทบาศเสร็จพระจารย์ต้องเรียกมานั่งคุยว่ามันคืออะไรอะลูกครับขนมที่เขาชอบป่าอ๋อฮะเห็นไหมเดี่ยนี่คือฝืนสองก็คือฝึกอะไรที่อะไรที่ทําไม่เป็นครับนำมาฝึกให้เป็นครับสามฝนอะไรที่เป็นแล้วให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็ฝนฝืนฝึกฝนถือเป็นคําสําคัญในการปฏิบัติทุตดงกและในการฝึกตนครับสามคำหลักฝืนฝึกฝนนะฮะซึ่งเป็นคําที่ ไม่ต้องเป็นพระไม่ต้องเป็นนักบวชเขาทาได้เป็นคนปกติใครๆก็ทำได้แลวอีกอย่างหนึ่งนะใครก็ตามที่ไม่อยากฝึกตัวเองรพระพุทธเจ้าท่านบอกถ้าคุณไม่อยากฝึกคุณก็จะได้รับผลจากการที่คุณไม่อยากฝึกส่วนใครที่ฝึกตัวเองได้เป็นอย่างดีก็จะเป็นคนที่ไปได้ดีที่สุดฉะนั้นที่ว่าฝึกๆนี่ไม่ใช่เรื่องทรมานการฝึกก็คือการสร้างคุณภาพชีวิตให้ตัวเองแท้ๆเลยแต่คนไทยไม่ชอบ เพราะคนไทยนั้นชอบตามใจกิเลสเหมือนมีคำกล่าวที่ว่าทําอะไรตามใจคือไทยแท้เนี่ยเมืองไทยคนไทยหลายคนถึงเสียชื่เสียคนก็เพราะว่าชอบตามใจครับบางคนเอาคํานี้ผิดไปมองในเชิงบวกนะครับอาจารย์บางท่านอาจจะมองาทําอะไรก็ได้คือไทยแท้ก็อาจจะคิดว่าคนไทยสบายๆอะไรเงี้ยครัในความเป็นจริงที่นี่คือบางทีเราก็อาจจะลืมขั้นตอนเรื่องการฝืนการฝึกใหมนะครับบางเรื่องมันต้องจริงจังนะสบายๆไปทุกเรื่องไม่ได้ในบ้านเมืองที่เขเคารพเสรีภาพอย่างอเมริกาเนี่ย โอ้โทุกคนมีเสรีภาพแต่ผิดกฎหมายนี่เขาเอาจริงเลยนะขับรถแล้วไม่รัดเข็มขัดนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับใช่ไหมครับฟ้าไฟแดงเนี่ยเดี๋ยวภายในหนึ่งอาทิตย์นะสารสารส่งส่งบิลมาเลยแล้วถ้าคุณไม่ไปจ่ายตังค์ไม่ไปพบสารคุณเตรียมตัวเลยเขายึดใบขับขี่นี่คือประเทศที่เสรีภาพมากเลยแต่ทำไมเขาเาจริงจังจังเลยเพราะฉะนั้นคานี้เนี่ย เสรีเสรีที่เราว่าเนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังอย่าให้กลายเป็นเสรีตามใจกิเลสเสรีภาพยังไงก็ตามก็ต้องมีปัญญาต้องมีเหตุผลอยู่ในนั้ น, น, นเสมอไปอาจารย์แล้วสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัว 2-3 องสาน้อยแม่ชีน้อยในการฝึกฝืนฝึกฝนตัวเองอย่างนี้บ้างครับฝืนฝึกฝนก็แน่นอนอ ย, อย่างสัปดาห์ที่1นเนี่อา พูดได้เลยว่าเป็นลิงเป็นข้างออกปามันเลยนะฝืนนั่นที่ต้องฝืนคือบางทีพระอาจารย์สอนอยู่นอนหนะนอนซึ่งซึ่งหน้าเลยอะะนอนโอเคเอาละพระอาจารย์รับได้มันหันหลังให้นี่สิออกจอด้วยขระดพระอาจารย์ยังทําใจไม่ไหวเลยใช่ไหมพระอาจารย์โอโหในชีวิตฉันเทศมาพันครั้งแต่ไม่เคยมีใครหันหลังให้ฉันเลยหันหลังให้เราแล้วไปคุยกับเพื่อนต่อหน้าเลยนะจุกจิกจุกจิ๊กจุกจิกเราไปบอกเราไปจับหมุนมาหาเรามองหน้าเรา โอ้โหเราคือสุญยกาศครับเราคือสุญยการอันนี้ครูก็ได้ฝึกตนไปในตัวแต่พระอาจารย์ชอบนะพระอาจารย์ชอบเพราะว่าเขากำลังสอนเราครเขากําลังสอนเราไปในตัวว่าในนาทีเช่นนั้นเรารู้สึกยังไงเรายังรักเขาอยู่ไหมที่เขาแสดงสัญชาตญาณของความเป็นเด็กออกมาเรายังรักเขาอยู่ไหมหรือเราโกรธถ้าเราโกรธเราก็แย่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ถึงชอบโครงการนี้ไงเราได้ฝึกตัวเองไปพร้อมๆกับที่เราสอนเขาเนี่ยเราก็ได้เห็นพัฒนาการจากสัปดาห์ที่หนึ่ง นะก็เป็นลิงเป็นครั้งสัปดาห์ที่สองเริ่มกราบเป็นเริ่มสวดมนต์เสียงเจ้สัปดาห์ที่3าพอเราเข้าไปปุ๊บเขาบอกชั้นเองเลยว่าจะทํำยังไงและเพื่อนเล่นเขาไปแหย่เพื่อนอาจารมาล้พระอาจารมาแล้วอย่าอย่าพระอาจารพูดอยู่เห็นไหมสัปดาห์ที่3ามเขาเขาเริ่มเป็นครูของกันและการเริ่มเป็นกัลยาณมิตรฉายชาติในความเป็นกัลยาณมิตรพอสัปดาห์ที่4ีนี่เราพาเขาปฏิบัติทุตดงครับพระอาจารพูดได้เลยว่าก่อนลาสิขาน้องทุกคนเทศได้เลย อย่าลืมนะบททดสอบสุดท้ายของเราที่นี่เทศได้เลยเหรอครับเทศโปรดพ่อโปรดแม่ก่อนศึกนะโยมพ่อโยมแม่บอกว่าโอ้โหพระอาจารย์ลูกโยมหกขวบนี่พระอาจารย์เอาเทศเลยหรือพระอาจารย์บอกว่าโยมพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราประเสริฐ ด, ด้วยกา ร, รลองให้พระอาจารย์เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเขาก่อนครับแล้วเรามาดูกันว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ฝึกตนนะเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์มันรจริงไม่จริงอฉะนั้นเราก็มาดูกันสิว่าวันสุดท้าย ลูกเนนของโยมลูกชีของโย ม, จ, โยมจะเทศโปวดโยมพ่อยมแม่ได้ไหมครับครับซึ่งพระอาจารย์เชื่อมันม่นเสมอว่าเมื่อเมื่อเขาได้รับการฝึกที่ดีเขาสามารถทําได้ดีเช่นเดียวกันครับครับเราต้องมีศรัทธานในมนุษย์นะแสดงว่าเทศนี้ไม่ใช่คงไม่เราอาจจะไม่ได้ไปจินตนาการเทศเหมือน uh huh. เหมือนพระที่เทศให้มนรดาญาโยมพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ uh huh. แต่เข้าใจว่านี่อาจจะความเทศของสามเณร น, นี่อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาได้เรียนรู้หรือเปล่าครับพระอาจารย์เขาก็จะได้ถ่ายทอดออกมาก็ที่เขาเรียนมาทั้งสสัปดาห์เนีเ่ยเขาจะได้เก็บออกมาถ่ายทอด อย่างลูกเนนของพระอาจารย์ปีก่อนมีรูปหนึ่งเข้าเทศและพ่อแม่มานั่งฟังโม้เลยนะครับเขาบอกว่าลูกเนนมาบวชทําให้ลูกเนนได้เรียนเรื่องพระคุณพ่อพระคุ ณ, คณแม่ลูกเนรรู้ว่าพ่อแม่มีพระคุณแค่ไหนครับและเพราะว่าลูกเนรรู้ว่าพ่อแม่มีพระคุณแค่ไหนลูกเนนจึงอยากให้ให้ยมพ่อยมแม่มีอายุยืนยืนเพื่อที่ว่าเมื่อลูกเรียนสําเร็จลูกเนนจะได้กลับมาตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้ว เราได้อยู่กับยมพ่อยมแม่ไปนานๆแต่ถ้ายมพ่อยังสูบบุหรี่จัดอย่างนี้ยมพ่อจะอยู่ไปอีกกี่ปีคครรัับบลูกเนนไม่สบายใจเลยพอเวลาศึกขาพ่อมาหาอาจารย์พร้อมสวางบุหรี่พ่อเลิกบุหรี่เลยนะครับพ่อบอกว่ามันพูดขนาดนี้พระอาจารย์พูดออกทีวีด้วยอาจารย์จะให้ผมทํำยังไงผมถวายเลยแล้ววันไหนถ้าผมกลับมาสู่ผมจะให้ลูกผมโทรหาพระอาจารย์เลยครับเรียบร้อยเลยครอบครัวนี้พ่อเลิกบุหรี่เลยครับเห็นไหมนี่คือการเทศไม่มีคําบาลีอยู่ในนั้นเลยครับ แล้วก็ไม่ใช่คําสั่งสอนด้วยนะครับไม่ใช่คำสอนเป็นคําขอเป็นคําขอครับแต่มันคือการเทพเพราะมันเปลี่ยนพ่อเขาแล้วครับพ่อเขาบอกว่าโอ้โหพระอาจารย์ผมเนี่ยนะกรมสุขภาพจิตเอาผมไปบําบัดยังเอาไม่อยู่เลยนะฮะและนี่วันนี้ลูกมันพูดมันตบหน้าผมผมคิดว่าถ้าผมเลิกไม่ได้ก็ไม่ใช่คนเล่านี่คือพ่อเขาเนอะพูดแบบชาวบ้านมากเลย บุหรี่ไม่ถวายเลยเลิกจบเลยครับเห็นได้อย่างนี่คือปาฏิหารของการฝึกแล้วต่อไปนี้พ่อก็ได้ฝึกสัจจะด้วยเพราะว่าให้สัจจะกับลูกไว้แล้วว่าจะเลิกบุหรี่นะครับก็เจอกันเจอกันปีนี้พ่อเลิกเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วปรากฏว่าสุขภาพดีมากเลยครน่าดีวันดีคืนแล้วลูกลูกก็เป็นทิศมาบอกพระอาจารย์ว่าตอนที่พ่อติดบุหรี่เนี่ยผมไม่กล้ากอดพ่อนานเพราะเวลากอดปุ๊บมันติดเสื้อติดมือแล้วแม่เนี่ยจะบอกเสมอว่า กอดพ่อแกนะนมันเหม็นบุหรี่มันเหม็นบุหรีอันตารายทั้งนั้นแล้วก็เวลาลูกจะกอดพ่อพบแม่เนี่ยจะต้องเป็นกรรมการอ่ะห้ามทับทุกครั้งแล้วเขาก็ยรู้สึกแบบอะไรมันมีกำแพงแทนที่ความเรียกว่าความสัมพันธ์ความอบอุ่นรวงพ่อกับลูกนี่จะได้ถ่ายทอดกันระหว่างการสัมผัสตัวนี้ก็หายไปเลยและพ่อนะทุกครั้งที่ลูกจะกอดแม่ไม่เพียงแต่แม่ห้ามตัวเองก็ห้ามตัวเองด้วยเ<อ>พราะแม่อยากให้ลูกนะ่ะมามาเจอสิ่งที่เป็นอันตรายปรากฏว่าหลังจากการแทรคราวนั้นเนี่ยก็พ่อก็เลิกบุหรี่ครับร นะตอนนี้ก็กอดกันกลมมักงแหละ ม, มีความสุขมากครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างเล็กๆ น, น, น้อยๆว่าคําว่าเทศไม่ได้หมายความว่าเทศจนบรรลุธรรมกันเป็นอะไรไปครับหมายความว่าอาจจะมีบางท้อยบางคำที่สะกิดจิตสะกิดใจยอมพ่อยมแม่หรือยอดยมที่ที่มาดูเขาอยู่ครับแค่นี้เราถือว่าการเทศแล้วครับหรือบางรูปเทศไม่เป็นเลยนะแต่ขึ้นไปนั่งสงบเนี่ยก็สอนแล้วว่าคนเราบางครั้งก็ต้องสงบบ้างนะการเทศ ไม่ได้หมายความว่าต้องออกจากปักเสมอไปการเทศโดยบุคลิกภาพการเทศโดยการทําให้ดูการอยู่ให้เห็นก็เป็นการเทศฉะนั้นพูดได้เลยว่าถ้ามองในความหมายที่2องลูกแนวเทศมาตลอด3สัปดาห์เพราเขากําลังปฏิบัติทําให้คนดูทั้งประเทศนี่คือรูปแบบหนึ่งของการเทศโดยการทําให้ดูครับแล้วสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์เป็นช่วงปฏิบัติทุรงคาวัตนีิบรรดาสามเด่ น, น, น้อยกับแม่ชีน้อยนี่จะได้ฝึกฝนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับในการที่จะฝึกฝืนกิเลสแบบเด็กๆเนี่ยฮะ ทุดงทุดงมีอย่างน้อยสิบสามข้อลูกเนรลูกชีนี้เราก็เอาข้อที่เรียกว่าเบาๆที่สุดเลยครับเช่นฉันในบาทฉันในบาทนี่ก็ฉันมาตลอดอันนี้แสดงว่าเขาจะต้องเอาอาหารนี่ไปเอาอาหารมาผสมกันหมดอร่อยเฟรนช์ฟรายสได้อะไรมานครับเอาใส่ลงในนั้นที่ผ่านมาเรายังไม่ให้คนนะแต่คราวนี้เราจะเราจะให้คนแล้วก็เอาน้ําเปล่านี้เทอเพื่อเพื่อเจือให้รสชาติมันจางเพื่อไม่ให้ติดในรถแสดงว่า ต่อให้เคยชอบกินช็อกโกแลตขนาดไหนนี่พอใส่รวมไปอย่างอื่นเติมน้ําก็เป็นในช็อกโกแลตที่อร่อยอร่อยนี่หมดกันนะครับปีที่แล้วลูกเนนของพระอาจารย์รูปหนึ่งมาบวชที่นี่ยอมเอาอาหารมาถวายเยอะมากเขาก็เดินไปตักอาหารครับโอ้เขาไปไปได้อะไรมาล่ะส้มตําไก่ย่างไก่ย่างทั้งขาเลยเขาใส่ในบาทเลยเพื่อนนี่นน้ําลายหกวนไม่แบ่งให้ใครเลยนั้ส้มตําก็จัดเต็มไก่ย่างก็จัดเต็ม พระอาจารย์ก็เห็นอยู่เป็นพระพี่เลี้ยงเราเห็นอยู่พอถึงเวลาทุ่งงมาพระอาจารย์ก็เดินไปหาเป็นไงลูกได้อะไรไมาบ้างเขาบอกเขาบอกนี่นี่ น, นี่นะไก่ย่างส้งตมตำผมรอมาทั้งเดือนเลยครับพระอาจารย์วันสุดท้ายมาถึงแล้วพระอาจารย์ก็เลยไปไ ป, ไปหยิบเดินไปหยิบที่โต๊ะได้รอดช่องมาชามนึงรอดช่องเทใส่ส้ตมตำไก่ย่างเอาของขาวของหวานน้ำอีกครึ่งหนึ่งก็คนให้เขาเรียบเอาแล้วลูกจัดไปเลยฉันได้ครับเห็นไหมนี่คือการฝึก เราเราต้องฝึกเข้าอย่างนี้วันนี้พอเห็นแบบนี้แล้วนี่เห็นแบบนี้นี่เรียกว่าแค่ดูได้สายตานี่ก็หมดอร่อยแล้วนะครับยังไม่ต้องพูดถึงได้ดิมส้ม <ลด S 1> ตำไก่ย่างน้ําเปล่ารอดช่องครั บ, <laughs> รบอยู่ด้วยกันแล้วสมัยที่พระอาจารย์ไปทุ ด, ดงพระอาจารย์เจออย่างนี้จริงรพระอาจารย์ไปอยู่ในเขาหนึ่งเดือนเนะไปอยู่ในหุบเขาในดงพรยายเดิอนเลยหนึ่งเดือนห้ามเยี่ยมห้ามประกรัน ค, ครูบาอาจารย์ฝึกเราอย่างนี้แล้วไม่ใช่ทุดงโรแมนติก อย่างอย่างที่ลูกเนนลูกจีดจะได้ทำนะนี่คือเบามากนอะอันนั้นไปอยู่นี่คือตายนะน้ําป่าเราก็เจองูเงี้ยวเขี้ยวขอเราเจอทุกอย่างครับะสมัยน้นพระอาจารย์ก็มือใหม่หัดทุดงอ่ะอธิษฐานว่าถ้าลูกเด่นนั่งแล้วจะไม่ย้ายกับน้ําป่ามามันก็ท่วมขนาดนี้เลยครับบาดลอยไปทุกคืนเนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือมีอยู่วันหนึ่งท่านในพลคนหนึ่งเนี่ยไปตักบาดเราก็จัดส้มตําใส่บาดมาหลวงพ่อมาจากไหนก็ไม่รู้เอาลอดช่องมาใส่เราเลย ครึ่งบาทครับปนกันไปหมดเรียกว่าได้รู้รสชาติเลยว่าอะไรคือรสจริงอะไรคือรสปลอมเราแยกออกหมดเลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ดีๆเหล่านี้เราอยากให้ลูกเนลูกชีของเราได้เรียนรู้เขาจึงได้มีโอกาสเช่นได้นอนใต้ต้นไม้นะได้ฉันในบาทแบบทำลายรสชาติอาหารนะและจากนั้นก็จะฝึกสํารวมวาจาคือบางช่วงอาจจะเงียบเก็บไปเลยก็มีแล้วก็ที่สาคัญก็จะพา พาเดินป่าด้วยโยมบางคนก็จะเป็นห่วงเด็กห้าหกขวบนี้พระอาจารย์เอาถอดรองเท้าเดินเลยเหรอครับห่วงลูกมากแต่วันนี้พระอาจารย์กจะพาเขาฝึกเหมือนกันนี่ก็ทุดดงก็ได้ฝึกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนะครับสัจจะก็ได้ฝึกความอดทนก็ได้ฝึกความเพียรก็ได้ฝึกปัญญาก็ได้ฝึกครับสิ่งสมาธิปัญญาจะมาครบผลในช่วงทุดดงครับถ้าวันนี้ผู้ชมที่นั่งชมอยู่แล้วบอกว่าอ้าได้ฟังเรื่องการฝึกตนแล้วแล้วเราจะลองหันกลับไปสํารวจตัวเราเองแหละว่า เรานี้น่าจะมีอะไรที่มีการควรจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการฝึกฝนฝึกตนเองบ้างพระอาจารย์จะให้ข้อคิดตรงนี้ยังไงครับเหมือนเป็นハウทูฮะสำหรับสาหรับญาติโยมนีนง่ายๆเลยนะครับญาติโยมชาวบ้านที่อยู่ครองเรือนอพระอาจารย์ว่าสินห้านี่แหละเป็นแนวในการฝึกตนที่เด่นที่สุดคเช่นศินข้อที่1ฝึกเมตตาต่อทุกชีวิตอที่เราบอกก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไม่ไม่ใช่แค่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเป็นสิน5เชิงลบสิน5เชิงบวกคือ เมตตาต่อทุกชีวิตเมตตาต่อแม้กระทั่งคนที่ไม่รักเรารเราเราทําได้ไหมสินห้าข้อที่1ก็คือเคารพชีวิตทุกชีวิตด้วยเมตตาศินห้าข้อที่สองเคารพในกรรมสิทธิ์ของเพื่อนร่วมโลกทุกคนมีโอกาสโกงยังไงฉันก็ไม่ทำสินห้าข้อที่3ดูแลสถาบันครอบครัวของคุณให้อบอุ่นนะําไม่นอกทั้งกายและไม่นอกทั้งใจเคยมีคนมาถามพระอาจารย์ว่าผมผมเป็นเซลเมนะพระอาจารย์เจอประจําเลยลูกค้านะ่ะ บางครั้งก็เผอนอกกายแต่ใจผมไม่เคยนอกเลยนะได้ไหมว่าอาจารย์บอกศีล <c oughs> ของพระพุทธเจ้าท่านคงไม่มี <c oughs> อนุบัญญัติ <c oughs> เปิดช่องให้คุณอย่างนั้นหรอก <c oughs> ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกฉะนั้นศีลข้อที่3ก็คือว่าให้เคารพในคู่ชีวิตของเราเ <c oughs> มื่อเรามีสารสัมพันธ์กับใครเราต้องมีความรับผิดชอบอย่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มาพร้อมกับความรักและความรับผิดชอบครับศีลห้าข้อที่4ก็คือใช้ความจริงในการสื่อสารเสมอไปอย่าใช้ความเท็จในการทําลายเพื่อนมนุษย์ นะะสินห้าข้อที่5เคารพสุขภาพของคนอะไรที่ทําลายสุขภาพของคุณคุณลดละเลิกได้ไหมนะสุรายาเสพติดแอลกอฮอล์บรรดามีทั้งหลายอาหารที่มันอร่อยแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนากา ร, รนะอะไรก็ตามที่บั่นทอนสุขภาพของคุณคุณไปลดละเลิกให้หมดนั่นคือความหมายของศินข้อที่ห้าแค่นี้เดินตามศินหข้อเลยนะเคารพชีวิตคเคารพกรรมเสด็จเคารพคู่ชีวิต เคารพความจริงเคารพสุขภาพ5ประการนี้เป็นสุดยอดฮาวทูธรรมะแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติใครทําได้คุณกําลังอยู่ในช่วงทุ่ดงอื ม, อมครับก็คือใช้หลักทั้ง5ข้อนี้มาเป็นแกนกลางเป็นเส้นในการที่จะเดินไปบนเส้นทางตรงนี้นะครับเจริญพัครับแล้วในระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าอาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างบกแวกบ้างเราจะต้องหันกลับไปย้อนไปคิดในทำข้อคิดข้อทำข้อไหนครับอาจารย์หลักที่จะทําให้จิตใจนี่เข้มแข็งขึ้นครับหลักของทุ่ดดงก็คือว่า เมื่อเราทําไม่สมบูรณ์ท่านให้อธิษฐานใหม่นะเราพลาดไปเราก็กลับมาอธิษฐานใหม่ความประเสริฐของมนุษย์ก็คือมนุษย์นั้นฝึกหัดได้ครับท่านล้มได้ก็ลุกได้นั้นถ้าพลาดแล้วก็เรียนรู้จากความพลาดได้ครับนี่คือข้อดีของการเป็นมนุษย์ครับเพราะว่าในขณะที่เราเป็นมนุษย์เรามีโอกาสแก้ตัวได้เสมอแก้ไขได้เสมอครับพระพุทธองค์จึงใช้คําว่าฝึกคําว่าฝึกหมายความว่าไงหมายความว่า ลองแล้วลองเล่าล้มแล้วล้มเล่านะมันไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าอุ้ยพลาดแล้วท้อซะแล้วฉันคงทําไม่ได้หรอกฉันคงอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่เอาดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่และที่สําคัญเวลาทํำผิดทําพลาดแล้วไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณมันจะไปต่อไม่ได้นะเราก็แค่พลาดไปก็แค่ตั้งใจใหม่เท่านั้นเองฉะนั้นท่านจึงใช้คําว่าฝึกเพราะคําว่าฝึกนั้นให้ในยะถึงการล้มแล้วลุกได้นะลองแล้วลองอีกได้ฝึกแล้วฝึกอีกได้ทําซ้ำๆเท่าไหร่ก็ได้ จนกระทั่งว่าคุณผ่านสัก21วันไปคุณจะทําได้อย่างสบาย ม, มีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราจะฝึกอะไรก็ตามจนกลายเป็นบุคลิกภาพของเรารจนกลายเป็นนิสัยของเราจะต้องใช้21วันลูกเนนของเรานี่มาอยู่กับเราหนึ่งเดือนอาจารย์ก็เชื่อเหลือเกินว่าเกินหนึ่งเดือนไปนะหลายอย่างที่เราฝึกให้เขาและเขามาฝึกร่วมกับเราหรือบางอย่างเขาฝึกเราคงจะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตครับครับช่วงระหว่างนี้ก็ลูกเนนกับ บรรดาสามัญชนนีน่ก็อาจจะ ก, กำเนิดกำเนินกับเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่กำลังกำลังค่อยๆงอกงามขึ้นนะฮะช่วงนี้เราพูดงไงพอพทนจากคอสนี้ไปแล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่นี่ก็อาจจะต้องช่วยกันประคับประคองให้เติบโตแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ขอฝากนะว่าเมื่อฝึกแล้วอะไรที่ดีขอความกรุณายมพ่อยมแม่ฝึกต่อนะอย่า อย่าบอกว่าโอโหไปทรมานมา1เดือนออกมานี่ตามใจอีกไม่ใช่ว่าพอตอนมาบวชนี่ได้ตรงตื่นเช้าพอกลับไปคุณพ่อคุณแม่บอกอ้าวงั้นอนสายซ้ายนีแม่ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นคือความสุนเปล่าครับคือลูกลูกมาได้ดีแล้วครับสิ่งที่พ่อแม่ควรทําคือส่งต่อเอ็กเขาขึ้นมาเขาขึ้นบันไดมาสี่ห้าขั้นละสมมติบันไดมีสิบขั้นหน้าที่ของพ่อของแม่คือส่งเสริมเขาขึ้นไปให้สุดทางบม่ใจะขึ้นมาหาขั้นนะลูกทรมานเหลือเกินเอาลงมาเถอะก็มาเริ่มใหม่ ถ้าอย่างนี้แล้วก็โอห์หเสียดายการฝึกมากเสียดายโอกาสมากครับครับวันนี้ก็ขอกราบนมสการพระอาจารย์ครับสําหรับข้อคิดข้อธรรมสาหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมว่าสําหรับคุณผู้ชมก็น่าจะได้ข้อคิดไปหลายๆข้อทีเดียวนะครับในเรื่องของการฝึกฝนตนเองนะครับอาจจะง่ายๆลองไปสํารวจตัวเองก่อนครับว่าเรานี่มีอะไรบ้างที่อยากจะลองกลับมาฝึกมาฝืนนะครับมาปรับเปลี่ยนตัวเอง พอเริ่มเปลี่ยนได้คร่องอยางแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นวิถีชีวิตของเราที่เราคิดว่าอาจจะทําให้เราไม่มีการพัฒนาตนเองไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญได้นี่ก็อาจจะขยับและก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอกราบนมสการพระอาจารย์ครับแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ